จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพคทธศาสนาทุกทุกท่านวันนี้วันาราทิตย์ที่18มีนาคมพุททศกัสฐ์2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญ มาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระศาสนาได้อยู่เป็นที่พึ่งของมวลมนุษย์ต่อไปเองเป็นเวทต่อไปเอง้ายหลายพันปีด้วยกันเพราะไม่มีอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าพระพุทธศาสนาเพราะมีพระพุทธศาสนาเท่านั้น ที่สามารถสั่งสอนให้สัตว์โลกได้อยู่กันอย่างล่มเย็นเป็นสุขให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถทำให้มวลมนุษย์เราอยู่กันได้ด้วยความล่มเย็นเป็นสุขแต่กลับเป็นเชื้อหรือเป็นเหตุที่จะทำให้มนุษย์เราฆ่าฟันกันทำลายร่างกัน โดยอำนาจของความโกรธความโลภความหลงดังนั้นถ้าเรามีพระพุทธศาสนาสังคมของเราประเทศของเราก็อยู่กันอย่างร่มเห็นเป็นสุดถ้าไม่มีศาสนาโลกเราสังคมเราก็จะอยู่กันอย่างว่าวุ่นอยู่กันอย่างเดือดร้อนเพราะทุกคนจะ แก่งแย่งชิงดีกันแย่งอำนาจแย่งทรัพย์สมบัติต่างๆกันไม่มีความเมตตาการุณาต่อกันสังคมใดถ้าไม่มีความเมตตาการุณาสังคมนั้นก็เป็นเหมือนสังคมของเดรฉานดีๆนี่เดรฉาดนี้เขาไม่มีความเมตตาเพราะเขาไม่มีปัญญาไม่มีคนคอยสั่งสอนให้เขาเห็นคุณค่า ของการมีความเมตตากรุณาต่อกันสังคมของสัตว์เดรัจฉานจึงเป็นสังคมแบบสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กไทรใหญ่กว่าใครมีกําลังมากกว่าก็จะได้เปรียบ ก, กว่าผู้ที่มีกําลังน้อยกว่ามีตัวเล็กกว่าแต่ในสังคมของมนุษย์ที่มีพระพุทธศาสนานี้ ไม่ว่าจะเป็นคนใหญ่หรือคนเล็กมีกำลังมากหรือกำลังน้อยก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีคำสอนที่สอนให้มีความเมตตาต่อกันนั่นเองความเมตตานี้เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมวลมนุษย์ทั้งหลายถ้าอยากจะอยู่กันอย่าง มีความสุดเราก็ต้องเจริญเมตตาภาวนากันเมตตาภาวนาคือการสอนใจให้มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายดังบทสวดที่เราสวดกันเสมอว่าสเศส ต, ตาเอเวลาหตุตุสัเศส ต, ตาปะยาปั ช, ชาหนตุ สับเบสัตตาอะนิกาหมตุสับเบสัตตาสุขีอั ต, ตานังปะริหะวันตุแปลว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงไม่มีเวรกันเถิดขอให้สัตว์ทั้งหลายจงไม่เบียดเบียนกันเถิดขอให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกกายทุกใจเถิดขอให้สัตว์ทั้งหลาย มีความรักษามีความสุขรักษาตรงเถิดนี่คือเป้าหมายของการภาวนาคือเราต้องการให้ทุกคนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีการจองเวรจองกรรมกันเราต้องเป็นผู้กระทำเองเราสอนคนอื่นได้แต่เขาจะทำหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเราเราต้องไม่จองเวร เราต้องไม่เดียงเดียงเราต้องปรารถนาดีต่อผู้อื่ปรารถนาให้เขามีแต่ความสุขความเจริญขณะที่เราสวดนั้นเป็นการทําการบ้านเป็นการซ้อมเอาไว้ก่อนเ ว, เวลาที่เราจะปฏิบัติจริงต้องเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าผู้เวลาที่เราอยู่ต่อหน้าผู้อื่น ถ้าเราไม่มีเมตตาเราอาจจะคิดไม่ดีกับผู้อื่นก็ได้เพราะเราอาจจะไม่ชอบกิริยาอาการหรือการกระทำอะไรของเขาก็ได้แต่ถ้าเรามีความเมตตาอยู่ในใจเราก็จะมองข้ามไปเราจะคิดว่าเป็นเรื่องของคนเราที่ยังมีกิเลสอยู่ย่อมมีการกระทำดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปโกรธแคนโกรธเคืองไปเกลียดชังเขาหน้าที่ของเราต้องให้อภัยไม่จองเวนหน้าที่ของเราต้องไม่เบียดเบียนกันเวลาใครเข้าด่าเราเราก็ต้องอยากโกรธเขาอย่าไปอาฆาตพยาบาทเขาขอให้เราหัดมาทําใจรับความคําด่าของคนเหนื่อยดีกว่า เพราะถ้าเรารับคาด่าได้แล้วต่อไปเราจะสบายใครจะด่าเราอย่างใดเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะคาด่าหรือคาชมมันก็เป็นเสียงเท่านั้นเองมันไม่มีพิษมีภัยกับใครเลยไม่มีพิษมีภัยกับร่างกายหรือไม่มีพิษมีภัยกับใจผู้ที่ทำให้เป็นพิษขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่เสียงด่าหรือเสียงชมผู้ที่ทาให้เป็นพิษขึ้นมาก็คือ ความหลงของใจนี่เองที่ไปหลงรักความคาชมแล้วก็ไปเกลียด ค, คำคาคาดาพอมีความหลงไปรักไปชังเข้าเวลาต้องสัมผัสกับสิ่งที่เกลียดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาสัมผัสกับสิ่งที่ชอบก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแต่ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาเพราะจะชอบแต่คมคำชม พอฟังคำด่าแล้วก็จะทุกใจขึ้นมาทันทีดังนั้นเราต้องสอนใจให้รู้ทันว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงด่าหรือเสียงชมก็เป็นเพียงลมเท่านั้นเองเป็นเสียงลมเท่านั้นเองเสียงลมที่ออกมาจากปากคนถ้าเราไม่ไปสนใจสัอย่างแล้วมันก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้แต่เราถูกความหลงหล อ, อกมาฟังลึกอยู่ในใจ ให้ชอบคำชมให้เกลียดคำดา่าพอได้สัมผัสกับคำชมก็จะดีใจตัวลอยพอได้สัมผัสกับคำดา่าก็จะโกรธแค้นโกรธเคืองกินไม่ได้งนไม่หับความความผิดไม่ได้อยู่ที่เสียงของคำดา่าหรือคำชมแต่ความผิดอยู่ที่ใจของเราเองที่หลอกตัวเราเอง ให้ไปรักไปชังเสียงด่าเสียงชมนี่ดังนั้นเราต้องมาแก้ที่ตัวเราเราอย่าไปแก้ที่คนที่เขาด่าเราหรือชมเราเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้ไปบังคับเขาได้แม้แต่คนที่เขาด่าเราเขาชมเราบางทีเขาก็บังคับตัวเขาไม่ได้เวลาเขาโกรธมากๆเขาก็ห้ามใจเขาไม่ให้แสดงวาจา ที่ไม่ดีออกมาไม่ได้ดังนั้นเราต้องเข้าใจความจริงแล้วเราต้องรู้จักอยู่กับความจริงถ้าเรารู้จักอยู่กับความจริงรู้จักควบคุมใจของเราให้เฉยต่อสิ่งต่างๆที่มาให้เราสัมผัสรอบรู้เราก็จะสามารถอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุวเราจะสามารถมีเ ม, มตตาให้กับบุคคลทั้งหลายได้ อย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านมีความเมตตาต่อผู้ที่พยายามฆ่าพระพุทธเจ้าแทนที่จะโกรธท่านกบไม่โกรธแทนที่จะอาฆาตพยาบาทท่านไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทแทนที่จะทำร้ายผู้ที่มาพยายามจะฆ่าพระพุทธองค์แต่พระองค์ก็ไม่ทำร้ายเขาเช่นพร ะ, พระเทวทัตที่พยายามตรงพระชนถึงสามครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ ไม่ได้ไปด่าไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้ไปอาฆาตจองเวรกับพระเทวทัตเลยแต่การกระทําบาปของพระเทวทัตนี่แหละที่จะทําลายตัวเขาเองเพราะเมื่อเขาทําบาปแล้วเขาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความเสียใจเกิดความหวาดกลัวตอว่อวิบากกรรมที่จะตามมาดังนั้นเวลาใครเขาทําไม่ดีกับเราหรือกับผู้อื่นก็ดี เราไม่ต้องไปทำร้ายเขาหรอกเพราะการกระทำของเขานั้นทำร้ายตัวเขาเองอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องรับเคราะห์รับกรรมของเขาไปอย่างแน่นอนอย่างองคุลิมาก็พยายามไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบโต้ไม่ป้องกันพระองค์เพียงแต่สแสดงฤทธิ์ทำให้ อังคุลิมาไม่สามารถวิ่งไล่ตามข้าพระพุทธเจ้าได้และได้ทรงใช้อุบายสั่งสอนให้องค์ุลิมานหายหลงหายหลงและสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้องคุลีมานพยายามไล่ตามพระพุทธเจ้าก็ไล่ไม่ทันก็เลยตะโกนออกไปบอกว่าหยุดขอให้ท่านหยุดข้าพระเจ้าไล่ตามท่งไม่ไม่ทัน พระพุทธเจ้าก็ตอบกลับไปว่าเราได้หยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่ได้หยุดอุ้งคุลิมาลก็สงสัยว่าพระองค์หยุดได้อย่างไรในเมื่อเขาพยายามวิ่งไล่แทบเป็นแทบตายก็ยังวิ่งไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ตอบไปว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วเราก็หยุดจากการอาฆาตพยาบาทจองเวร จ, จองกรรม เราหยุดจากการเบียดเบียนผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นแล้วพอองคุลิมาได้ยินได้ฟังก็เลยได้สติกับคืนมาเห็นว่าการกระทําของตอนนี้ไม่ได้เป็นทางที่จะไปสู่การดับทุกข์ไม่ได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็เลยหยุดการกระทําที่ตั้งใจไว้เพราะถูกหลอกว่า ถ้าอยากจะบรรลุต้องฆ่าคนถึงหนึ่งพันคนแต่พอมาถึงพระพุทธเจ้าไม่สามารถฆ่าได้และได้รับคติธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เลยยุติความหลงอันนี้ได้แล้วก็หันมาฆ่าความโกรธฆ่าความเกลียดฆ่าความอาฆาตพยาบาทฆ่าความเบียดเบีย น, ยนทำร้ายผู้ พอฆ่าได้แล้วท่านกบ็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ได้พบกับความสุขที่ถาวรต่อไปได้นี่คืออํานาจของเมตตาบารมีดังที่สุภาษิตที่ทรงตักไว้ว่าเมตตารมค้าจุนโลกโลกเราถ้ามีเมตตาค้าจุนอยู่โลกเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข แต่ถ้าโลกเราไม่มีความเมตตาแล้วโลกเราจะอยู่กันอย่างไม่ปลอดภัยจะถูกทําลายกันอยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็ไม่ปลอดภัยอย่างเหนั้นอย่างสมัยนี้สมัยนี้เราเจริญทางวัตถุแต่เราเสื่อมทางด้านจิตใจเพราะการเจริญทางทางวัตถุกับ การเสื่อมของจิตใจนี้จะไปคนละทางกันยิ่งเจริญทางวัตถุมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสื่อมทางจิตใจมากขึ้นเท่านั้นเพราะคนจะไม่สนใจที่จะศึกษาเรื่องของจิตใจและจะไม่สนใจเรื่องของการมีความเมตตาเพราะจะเห็นว่าความเมตตานี้จะทําให้ขัดกับการเจริญทางวัตถุ คนที่อยากจ ะ, จะเจริญทางวัตถุนี้จะไม่ค่อยมีความเมตตาเช่นจะทำอะไรก็ไม่สนใจว่าผู้อื่นจะเดือดร้อนหรือไม่ตราบใดถ้าตอนทำแล้วได้รับประโยชน์ได้รายได้เพิ่มมากขึ้นไปแต่ถ้าคนที่มีความเมตตาอยู่จะไม่ให้ความสำคัญต่อการจเจริญวัตถุจะทำอะไรจะต้องคำนึงถึง ความเดือดร้อนของผู้อื่นก่อนว่าผู้อื่นเขาเดือดร้อนหรือไม่ถ้าเดือดร้อนก็จะไม่ทำการเจริญทางวัตถุไม่ได้นำา ม, มาสร่งความสุขความสงบกแก่ใจแต่จะนำมาความโลภความวุ่นวายใจให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะเมื่อได้แล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเองได้สมบัติ ลอยล้านพันล้านแล้วก็ยังไม่พอยังอยากมีเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆก็ยิ่งจะต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสมบัติต่างๆเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะนำความสุขใจมาให้แก่เจ้าของได้ตายไปก็กลายเป็นสมบัติของผู้อื่นไป ทำแทบเป็นแทบตายตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยเอาไปแต่ความโลภเอาไปแต่ความโกรธเอาไปแต่ความหลงซึ่งจะพาไปสู่อาบายต่อไปนั่นเองดังนั้นพวกเราอย่าสนใจอย่าให้ความสำคัญกับการเจริญทางด้านวัตถุมากจเกินไปให้มีพอเพียงต่อการดำรงชีวิก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องมี บ้านราคาสิล้านรอยล้านไม่จำเป็นจะต้องมีเสื้อผ้าอภรร์าราคาเป็นหมื่นเป็นแสนไว้สวมใสยไม่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารมื้อละหลายพันหลายหมื่นไม่จำเป็นจะต้องรักษาในโรงพยาบาลแพงๆเพราะรักษาอย่างไรเมื่อถึงเวลามันก็รักษาไม่ได้หมาเศรษฐีก็ไปตายที่โรงพยาบาลแพงๆนี่แหละไม่ได้ไปตายที่ไหนหรอก เพราะว่าร่างกายนี้เมื่อถึงเวลาแล้วไม่ว่าจะมียาวิเศษขนาดไหนมีหมอวิเศษขนาดไหนก็จะไม่สามารถรักษาร่างกายนี้ให้อยู่ต่อไปได้เพราะเป็นธรรมดาของร่างกายที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปแต่ใจของเรานี้กลับไม่ตายไปกับร่างกายแต่ไม่ได้ แต่ไม่ได้รับไม่ได้รับการดูแลใจของเราจึงเป็นเหมือนใจอนาถาตายไปก็ต้องไปเป็นขอทานเพราะว่าไม่สนใจต่อการทำบุญให้ทานซึ่งเป็นการสร้างทรัพย์ภายในให้แก่ใจนั่นเองแต่ผู้ที่มีความเมตตาจะเป็นผู้ที่สร้างทรัพย์คือความสุขให้แก่ใจ ความอิ่ให้แก่ใจเวลาใจตายไปก็จะไปอย่างเศรษฐีไปเกิดในสวรรค์ไปเป็นเทพได้แต่ผู้ที่มีทรัพย์ล้นหลามแต่ขาดความเมตตามีแต่คอยจะเบียดเบียนผู้อื่นทำลายผู้อื่นการแกล้งผู้อื่นสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเวลาตายไปก็ต้องไปที่ ไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือถ้าไม่ให้ให้ความสนใจต่อการสร้างสรพา์ภายในสร้างคุณธรรมที่จะรักษาใจให้สูงให้เจริญให้มีความสุขก็คือการเจริญเมตตานี้เอง ขอให้พวกเราพยายามเจริญอยู่เรื่อยๆในขณะที่เราไม่ได้อยู่กับใครพบใครก็ขอให้เตือนสติว่าเราอย่าไปนีเวรกับใครนะเราอย่าเบียดเบียนใครนะเราอย่าไปคิดร้ายต่อใครแล้วเวลาที่เราเจอใครเราจะได้ยิ้มยาม้มจ่มใสทักทายก็ได้เวลาที่เรา จะทำอะไรให้เขามีความสุขได้เราจะรีบทำทันทีเพราะว่าความสุขที่เราทำให้กับเขานั้นไม่ได้มากเท่ากับความสุขที่เราได้รับจากการมีเมตตาต่อเขานี่คือเรื่องของพระศาสนาที่มีความสำคัญต่อชีวิตของพวกเราเพราะถ้าไม่มีศาสนาก็จะไม่มีใครมาสอนให้พวกเรามีความเมตตากัน าในใจของพวกเรานี้จะมีความหลงคอยสอนเราอยู่เรื่อยๆให้ดูแลตัวเราเองให้รักษาตัวเราเองจนถึงขั้นมองข้ามถึงจิตใจของผู้อื่นมองข้ามถึงความสุขความทุกข์ของผู้อื่นลืมไปว่าผู้อื่นเขาก็มีความปรารถนาเหมือนกับเราคือเขาก็อยากจะมีความสุขเขาก็ไม่อยากจะมีความทุกข์เหมือนเรา แต่ถ้าเราไม่มีศาสนามาสอนเราก็จะมองแต่ตัวเราอย่างเดียวทำอะไรก็พุ่งไปที่ประโยชน์สุขของเราอย่างเดียวจนลืมมองคนรอบข้างไปสังคมก็จะอยู่กันอย่างเดือดร้อนเพราะคนที่เขาไม่มีเขาก็ต้องตะเกียกตะกายหามาให้ได้และเมื่อเขาไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่จุดจริง เขาก็จะไปหามาด้วยการเบียดเบียนผู้เพราะเขาก็ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีความเมตตาต่อกันนั่นเองดังนั้นศาสนาจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการอยู่กันอย่างโล่งเย็นเป็นสุดการที่เราจ ะ, จะเจริญจะรักษาหรือทานุบำรุงศาสนาให้อยู่ต่อไปนานนานได้ก็มีหลายวิธีด้วยกัน วิธีหนึ่งก็คือต้องมาบวชเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเห็นผลก็จะเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะนำเอาไปเผยแพร่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปสำหรับผู้ที่ไม่สามารถบวชได้สิ่งที่ทำได้ก็คือ ให้สนับสนุนผู้ที่บวชกันอย่างญาติโยมนี้ก็มีหน้าที่คอยสนับสนุนพระภิกษุสา ม, มเณรด้วยปัจจัยสี่คืออาหารบิณฑบาตจีวรยารักษาโรคที่อยู่อาศัยส่วนผู้ที่บวชก็มีหน้าที่ตอบแทนยุนคุณของญาติโยมด้วยการ ศึกษาด้วยการปฏิบัติอย่างเข้มขัดและเมื่อได้บรรลุธรรมเห็นผลของการปฏิบัติแล้วก็นำเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่ญาติโยมต่อไปเมื่อญาติโยมได้ยินได้ฟังธรรมที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์แล้วนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็จะทำให้สังคม อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุดถ้าทุกคนในโลกนี้มีความเมตตาต่อกันสังคมเราไม่จำเป็นจะต้องมีตำรวจไม่จำเป็นจะต้องมีคุกตารางไม่จำเป็นจะต้องมีศาลมาคอยตัดสินคดีความต่างๆเพราะจะไม่มีใครเบียดเบียนกันจะไม่มีใครทาบาปจะไม่มีใครฆ่ากันจะไม่มีใครลักทรัพย์ของกันและกันจะไม่มีใครปฏ ประพุทธิตโตเวนีจะไม่มีใครโกโหกหลอกลวงจะไม่มีใครเสพโชรายาวนี่คือสังคมที่เจริญที่แท้จริงเจริญที่จิตใจแล้วก็ขยายออกมาที่ร่างกายที่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความร่มเย็งเป็นสุดถึงแม้จะไม่มีข้าวของต่างๆมากมายไม่มีรถยนต์รถไฟฟ้า ไม่มีเครื่องบินไม่มีเครื่องครองไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไรต่างๆที่เรามีกันในวันนี้แต่สังคมกับอยู่กันอย่างล่มเย็นเป็นสุขเช่นสังคมในสมัยพระพุทธเจ้ามีคนอยู่กันอย่างมีความล่มเย็นเป็นสุขกันเพราะคนศึกษากันปฏิบัติธรรมกันแล้วก็มีครองมีธรรมะปกครองจิตใจ สังคมจึงอยู่กันอย่างมีความสุขไม่จำเป็นจะต้องมีวัตถุต่างๆมากมายก่ายกองเหมือนอย่างที่เรามีกันในวันนี้เรามีวัตถุข้าวของมากมายกายกองแต่เรามีความปลอดภัยหรือเปล่าเราไปไหนมาไหนโดยลําพังได้หรือเปล่าเราต้องมีตำรวจหรือเปล่าเราต้องมีคุก ม, มีตารางหรือเปล่าเราต้องมีศาลมาคอยตัดสินคดีความต่างๆหรือเปล่า นั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีคุณธรรมกันเราไม่มีเมตตาต่อกนและกันนั่นเองเรามีแต่ความโลภความอยากที่จะให้ตัวเรามีความสุขมีความเจริญโดยลืมไปถึงความสุขและความเจริญของผู้อื่นดังนั้นเราต้องเข้าหาพระศาสนาและพยายามศึกษาให้มาก เมื่อเรารู้แล้วว่าศาสนาสอนให้เราทำอะไรก็ขอให้เรานำเอามาปฏิบัติอย่าไปเสียดายกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นจเจริญขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปแต่อย่งางใดแต่กลับจะทำให้จิตใจเราต่ำลงมีความสุขน้อยลงไปมีความทุกข์มากขึ้นไป เพราะอำนาจของความหลงที่จะทำให้เราอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมีใครบ้างที่ไม่อยากได้เพิ่มทั้งๆ ท, ที่ในขณะนี้พอมีพอกินกันอยู่แล้วแต่กลับไม่มีความสุขเพราะความอยากจะได้มีมากขึ้นไปนี่เองจึงทำให้ไม่มีความสุขพอมีความอยากได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องตะเกียบตะกายดิ้นลนกะวนกวายกระสับกระส่าย กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอยากจะได้มากขึ้นไปกว่าที่มีอยู่นี้งแต่ถ้าเราสามารถดับความอยากต่างๆได้หรือทำให้มันมีน้อยลงไปเราก็จะอยู่กันอย่างล่มเย็นเป็นสุขได้เพราะสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้ก็พอเพียงกับการดำรงชีวิตอยู่แล้วพวกเราทุกคนก็มีบ้านอยู่แล้วมีเสื้อผ้ามากมายอยู่แล้ว มีอาหารรับประทานอยู่ทุกวันมียารักษาโรคเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะต้องการอะไรไปอีกมากไปกว่า น, นี้มีอะไรมากไปกว่า น, นี้ก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่กลกับจะทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นเพราะเราอยู่ไม่เป็นสุขนั่นเองเราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องไปเดินเดนินไปทรมาหากินเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้หาเงินหาทองมามากขึ้นมาซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้แต่พอได้มาแล้วเป็นอย่างไรก็ยังไม่มีความสุขเยอนนั่นแหละก็ยังอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดัง น, นั้นขอให้เรามองให้เห็นโทษของความโลภของความอยากอย่าไปส่งเสริมมันอย่าไปทาตามมันให้ใช้เหตุผลเวลาเราต้องการอะไรถามว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้น จำเป็นไหมถ้าเราไม่ได้มาแล้วเราจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปหามาใหเหนื่อยยากให้ทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือวิธีศึกษาและวิธีปฏิบัติคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติได้แล้วความโลภความโกรธความหลงของเราจะเบาบางลงไปและจะหมดสิ้นไปได้ ความสุขของเราก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดแบบับความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปตามลำดแบบับจนไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่คือคุณค่าของพระศ า, าสนาที่พวกเราเข้ามาหากันและมาทำนุบำรุงรักษากันขอให้เราพยายามทำกันต่อไปทำนุบำรุงพระพุทธศ า, าสนาแล้วก็ศึกษาพระศาสนาแล้วน า, าเอาคำสอนของพระศ า, าสนานี่มาปฏิบัต ชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสุขและความเจริญไม่มีความทุกข์ความเสื่อมตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงท่านดีขอคุณประสรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันละสุขะพละโดยทั่วหน้ากันเธอ